b u d s h a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 ฉะนั้นคําว่ารสะเนี่ยเนี่ยมีการนําประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างใกล้ชิดคืออย่างใกล้ชิดติดพันุ์เ่ยผลปรากฏถ้าเราต้องการอยากจะทราบว่าเมตตาเนี่ยเี่ยปัจจุปถานนะของเขาเนี่ยอาคาตะวินญปัจจุปถานานะมีการบําบัดความแค้นหรือขจัดความแค้นเป็นอาการปรากฏของผู้ที่พิจารณา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 ความโกรธก็ยิ่งน้อยลงหรือมากขึ้นมากขึ้นจะสังเกตได้ว่าคนยิ่งอายุมากยิ่งขี้ใจน้อยอันนี้บ่งบอกว่าในชีวิตของท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะละโทวารเนี่ยถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราไม่กลัวหรือเดี๋ยวแค่ลูกหลานไม่มาเยี่ยมก็น้อยใจเลยวเห็นไหน้อยใจเลยเพราะอะหลายคนนี่เนี่ยกเกษียณอายุมาเนี่ยโอ้โหเสียใจ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 เราก็สังเกตว่าเมื่อเราจะเรือนหรืออบรมเมตตาแล้วเนี่ยไอตัวเมตตาจะบ่มบัติความแค้นความอาฆาตนั่นคือผลปรากฏเนียเข้ามาสังเกตว่าเออผลปรากฏเกิดขึ้นกับเราไหมนี่เราสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมเช่นว่าเรานั่งคุยกับใครเนี่ยมีใครพูดกับเราไม่ดีเนี่ยเออความกโกรธมันขึ้นมาแทนไหมแต่ก่อนเคยกโกรธเคยหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายในยสิ่งต่างๆนี่มันหายไปไหม ถ้ามันหายไปเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเออเมตตามีผลแล้วนี่ต้องตรวจสอบเองไหมตัวเองต้องตรวจสอบเองต้องพิจารณาเอาเองว่าเมตตามีผลไหยอันนี้ต้องตรวจสอบเองนะถ้าหากไม่ตรวจสอบเองก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะรู้ได้อันนี้ต้องต้องตรวจสอบเองทีนี้การที่เราจะตรวจสอบเองได้อย่างนี้นะั้นะก็ต้องว่าต้องสังเกตใบบ่ง สังเกตใจของเราเองบ่อยๆในขณะที่เห็นได้ยินได้กินลิ้มรสสัมผัสแล้วก็คิดนึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ใจเป็นไปกับมเมตตาไหมโอ้มันชื้นมั้ยมันเป็นไปได้วยความผ่องใสด้วยความเออิ่มไหมล่ะถ้ามีคนมาตําหนิติฉินอะไรต่างๆเหล่านี้พิจารณาปุ๊บก็ความกโกรธก็ไม่ขึ้นแต่ก็มีเหตุผลแต่ก็เข้าใจเขาแล้วก็ยังมีควา ม, มเมตตาเขาเหมือนเหมือนเดิมนั่นไหมเออถ้าอย่างงี้แสดงว่าได้ผลแล้ว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 พอเราจะให้เขาประสบความสําเร็จในใจเราให้ไม่ได้มันจะหนีี่ยจะหนีคุณโอ้โหไม่ได้ถ้าเขาสําเร็จอย่างที่เราว่าจริงๆเราไม่แย่เลยเนี่ยนยะถ้าสมมุตินะอาจเป็นคู่แข่งกันเลยนะเป็นคู่แข่งกันเลยระดับตําแหน่งเท่าๆกันเนี่ยนะนี่ก็บอกว่ามันมีนายใหญ่อยู่สมมติไอ้นายใหญ่ก็มองอยู่ใช่ไหมว่าจะให้ใครสูงหรือต่ําเนี่ยอีกคนหนึ่งเจริญเมตตาแล้วก็บอกว่า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 แต่ว่าใหม่ๆเนี่ยให้แล้วมันจะเอากลับมันหวังไงให้แล้วแบบว่าเออเราให้เขาอย่างนี้ที่สุดเราจะต้องได้ดีเราไม่มีคำตอบอยู่ใช่ไหมพอไปหวังคำตอบอย่างนี้พบมันก็เลยเออพอจเจริญได้แต่ถ้าบอกว่าให้เขาไปแล้วแล้วถ้าเขาสำเร็จจริงๆอย่างที่เราให้อะใจเรารับได้ไั้มต้องบอกว่ารับได้เพราะใจเราให้เขาอยู่ถ้าอย่างนี้มันจะไปได้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 ถึงเขาจะชั่วก็เพราะความประมาทเลินเล่อเนี่ยที่จริงในอดีตท่านผูเนี่ยจะต้องทํากุศลมาเป็นอย่างดีแหมรูปร่างหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ดีฐานะก็ดีอะไรก็ดีหมดเสียแต่คือกายกรรมวิจิกรรมมนโนกรรมเท่านั้นเองเพอมองอย่างนี้นะเมตตาก็เกิดอีกนะบางคนเห็นว่ามองไงก็ไม่เกิดเหมือนไส้ไปหมดอะไรอ ย, อย่างนี้เสียแล้วเพราะว่าเจริญไม่เป็น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 เราก็มองจุดโอ้ท่านบุญนี้เคยดีนะบางคนเนี่ยเป็นโจรเนี่ยนะเออแต่รักพ่อรักแม่โอ้กัทานยูกัตวิธีดีมากกว่างั้นบางคนเนี่ยฆ่าสา์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเออเราก็ไปดูว่าเออเขามีจุดอะไรดีบ้างถ้าไม่มีก็มองย้อนอดีตดังที่ได้กล่าวอย่างนี้เขาเรียกประทัด ฐ, ฐานเหตุใกล้ก็ต้องดูว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ของเมตตาตัวสภาพของเมตตานั้นก็คือว่าทีนี้เราก็ไปฝึกมองเลยนะ ถ้าเห็นคนไม่ดีปุ๊บผ่านมาเนี่ยแต่นี้เริ่มคิดเป็นแล้วไม่ใช่คิดมองเวพาะไม่ดีไม่ดีตรงนั้นถ้าเขายิ่งมาด่ามาทำร้ายเรามาประทุดสล้ายมาเรามารังแกเราด้วยแล้วก็ก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนี่เป็นการตรวจสอบว่าเออประทั ฐ, ฐานเราดีไหมบางคนนี่ไม่ได้เลยนะทั้งทั้งที่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนักหรอกเจาะเอามาจะได้อยังไงเจาะเอามาให้ได้บางทีเรื่องมีนิดเดียวอะ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 คนที่เราบอกเนี่ยก็คอยกโกรธแต่ก่อนก็โหไม่โกรธคนนั้นนะนะพอบอกปุ๊บเนาเ้ยก็เลยโกรธเลยเนี่ยเอยเป็นเหตุทําให้คนอื่นช่วยยังไม่รู้ว่าเราบาปแต่จริงเราบาปแล้วนะเนี่ยเพราะคําพูดของเราเป็นเหตุทําให้คนบาปกาใช่ป่ะเป็นเหตุทาให้คนบาปไม่ใช่เป็นเหตุทําบางทีเราพูดเนี่ยมันเหมือนถูกต้องหมดเลยแต่คนฟังเขาฟังแล้วบาปเกิดนี่แล้วเป็นเจตนาของเราด้วยนะ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 แต่ก็ดีเนยถ้ามองในแง่ของปุ้ดูชนคนหนาแน่นด้วยกิเลสเนี่ยคนที่กดโกรธเนี่ยโหคนเกรงเยอะใครว่านิดหน่อยก็เดี๋ยวไม่ได้รู้ไหมบอกว่าจะเดินก็ต้องเดินเบาๆเนะถ้าหากว่าทำเสียงดังเดี๋ยวไม่ได้เดิวท่าขวางใส่เราแล้วยุ่งเดียวมั้บางทีเขาไม่ได่าแต่เ็าใช้สายตาเนียคนที่เขาแน่นมากๆเนี่ยใช้สายตามองปุ๊บนีไปว่ารู้กันการใช้สายตามอง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 ใครจะบอกว่าทําไมทําทําค่าขนาดนี้อ่ะทําไมจะจะพูดแล้วนะเตรียมไว้เนี่ยเตรียมแต่ตาไว้เนี่มองแบบเมตตากันแล้วกัน เ, นเขาจะทําไงก็มองแบบเมตตาทําได้ไหมทาไม่ได้แล้วยุย่งยากรู้สึกเนี่ยแกก็มองลักษณะเงี้ยแต่ีตอนนี้ตายไปแล้วโอ้โหนี่นี่น่ากลัวมากเพราะเพราะไม่ได้ฝึกเจริญเมตตาเขาไว้นั้นมันต้องมันต้องเตรียมตัวไว้พร้อมเพราว่า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 หกพันที่เป็นตันหาขึ้นมาไอตัวตันหาเปรมมา ก, ก็จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นตอนนี้โอ้เป็นห่วงกังวล